มีใครไม่เคยมาไหมใครไม่เคยมาด้วยแล้วก็ไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมโอ้ยังมีนะหายากมากเป็นบุคคนที่หาได้ยากเดี๋ยวนี้เดินไปที่ไหนนะก็มีคนเปิดซีดีหลพ่อแระทั่งตามร้านชำตามร้านขายของร้านขายของเก่ามีสารพัดลงไปถึงรากหญ้าแล้ว ถ้าธรรมาลงไปได้ถึงควรจำนวนมากนะเขามีความสุขขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าศาสนาพุทธมีอะไรไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยศาสนาพุทธมีคุณค่าอยู่ในตัวเองใครศึกษาใครเข้าใจก็มีความสุขความทุกข์ตกหายเป็นลำดับลาดับไปชีวิตปลอดโปร่งแจ่มใสแต่เดิมภาวนาไม่เป็นมันจะรู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่รู้เพื่ออะไรนะ ก็ดินรนสแสวงหาความสุขไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันจะชีวิตนี้มันไร้ทิศทางอยู่ตามๆเข้าไปนะตอนเด็กก็เรียนหนังสือตามเข้าไปโตขึ้นก็ทำงานตามเขาไปหาเงินตามเข้าไปนะหาสมบัติไปหาลูกหาเมียหาอะไรไปเรื่อยๆตามๆเงินไปสุดท้ายก็ตายตามๆเงินไปชีวิตว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่มีสาระไม่มีแก่นสาร ก็เรามาภาวนาเรารู้แล้วว่าหน้าที่ของเราคือภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ชีวิตเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายนั้นก็สเปรศปะไปด้วยพวกเรามีเป้าหมายนะในชีวิตพวกเราต้องพ้นทุกข์ให้ได้เนั้นตั้งอกตั้งใจนะเราต้องพ้นทุกข์ให้ได้เนะวันนี้ยังไม่พ้นไม่เป็นไรแต่วันข้างหน้ า, าต้องพ้นให้ได้พ้นเป็นลําดับลําดับไปถ้าได้โสดานะก็พ้นทุกข์ไปเยอะแล้ว หายไปสักเยอะเลยอย่างน้อยมันก็เกิดความอบอุ่นใจขใึ้นมาว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ลูกอนาถาลูกกัมプラเราได้ธรรมะเข้ามานะเรารู้เลยพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราครูบาอจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้ปฏิบัติด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสหธรรมิกเป็นญาติพี่น้องโดยธรรมะ ชีวิตมันมีความอบอุ่นนะไม่ใช่ชีวิตที่ว้าวเวเหมือนคนทุกวันนี้คนโบราณมีจํานว น, านน้อยนะตอนหลวงพ่อเกิดมาคนไทยมีอยู่ยี่สิบกว่าล้านหรือสิบแปดล้านเท่านั้นนคนอบอุ่นนะคนน้อยแต่อบอุ่นทุกวันนี้คนเยอะนะแต่ว้าวเวมันเกิดอะไรขึ้นเราห่างไกลธรรมะออกไปยิ่งห่างไกลออกไปเท่าไหรนะ่เนี่ยเรายิ่งว้าวเว คนโบราณเขามีระเบียบแบบแผนมีวัฒนธรรมมีาศาสนามีอะไรเป็นหลักยึดในใจอยู่ถึงจะภาวนาไม่เป็นนะถึงวันพระเขาก็ยังไปวัดกันอนะไรเงี้ยในครอบครัวก็อยู่กันอุ่นนาฝากข้างนะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเลยอยู่คนเยอะแยะเลยไม่เหงาทุกวันนี้คนยิ่งมากยิ่งเหงามีหาเงินได้เยอะใช่ไหมแล้วก็รู้สึกจนลงทุกที แต่ก่อนไม่ต้องมีเงินนะพออยู่พอกินหากินไปได้เรื่อยๆนี่ลำบากงันอนาคตข้างหน้านะแค่มาถึงวันนี้ล้วก็เห็นสังคมเปลี่ยนไปในทางที่เงียบเหงาว่าเวรุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นข้างหน้าต่อไป 30-40 ี่ปีข้างหน้าจะมันจะเป็นยังไงนึกไม่ออกง น, นอนาคตนะั้นมันนึกไม่ออกเลย เราต้องเตรียมความพร้อมของเราพวกเราเนี่มีบุญวาสนาแนละ้วเราจะไม่เป็นอย่างที่คนอื่นเขาเป็นหรอกคนอื่นเงียบเหงาว่าเวนะ้เราจะมีความอบอุ่นใจเพราะเรามีธรรมะอยู่กับตัวหลงพ่อนะแตรกร่ก่อนภาวนาหัดแต่สมถนะแล้วเราก็รู้สึกเหงานาะบางทีนั่งสมาธิคนเดียวเหงาเหงาเข้ามาหัดดูจิต ด, ดูใจภาวนาเป็นขึ้นมานะ ไม่ค่อยเหงาแล้วไม่มีความเหงาะนะยิ่งหลังๆนี่ไม่เคยเหงามาหลายปีแล้วใจเรามันอิ่มมันเต็มนะไปไหนเราก็มีกายมีใจมีสติมีปัญญาเป็นเพื่อนของเราไปเรื่อยๆรู้สึกตัวชีวิตมีความสุขค่อยฝึกนะถ้าได้โสดาบันเมื่อไหร่ก็จะรู้จักธรรมะชนิดหนึ่งคือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะดับไป ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างดับไปเพราะทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวหมดเลยนีพระโสดา บ, บันจะเห็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับพระละหันจะเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับจะไม่เหมือนกันสิ่งที่เกิดที่ดับก็เห็นอยู่อย่างที่เคยเห็นนั่นแหละแต่ว่าไปเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไปเห็นนิพพานด้วยนิพพานมีความสุขจริงๆเลยยิ่งใหญ่จริ ง, ง, รงๆนะไม่มีอะไรเหมือนทําไมยิ่งใหญ่เพราะมันโ ต, โตเต็มโลกเลยไร้ขอบไร้เขตนะ ของเราภาวนามาถึงวันนี้เรารู้สึกไม่ใจเราเล็กนิดเดียวมีขอบมีเขตมีที่ห่อหุม้มมีเปลือกดูออกไหมใจมีเปลือกหุม้มถูกขังอยู่ตลอดเวลาโอ้ชีวิตอนาถามากเลยแต่ละคนกําลังติดคุกอยู่แต่ไม่รู้ตัวว่าติดคุกอยู่แต่ละคนกําลังเป็นทาตุอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นาธาตอยู่เพราะฉนั้นพวกนี้ไม่มีวันพ้นจากคุกไม่มีวันพ้นจาก ค, ก ค, กากความเป็นทาตได้เลย เรมหัดภาวนานะเราเห็นในใจเราเนี่ยถูกขังอยู่ด้วยกิเลสทั้งหลายอาสวะกิเลสมันย้อมอยู่ตลอดเวลามันแผดเผาทําให้เราร้อนอยู่ตลอดเวลามันเป็นธาตุของความอยากของตัณหาความอยากบงการตลอดเวลาให้ทําโน้นให้ทํานี่ให้อยากโน่นอยากนี่กระทั่งอยากปฏิบัติในี่ใจมันเต็มไปด้วยความทุกข์นะตกเป็นธาตุของกิเลสของตัณหาลําบากมากเลย เพราะนคนในโลกนะั้นมันมีแต่ความทุกข์มันเป็นทาตที่สําคัญคือเป็นทาตที่ไม่รู้ตัวว่ากาลังเป็นาธาตอยู่มันาธาตที่หลงเพลิอนอยูนะ่วันหนึ่งก็ตายไปพร้อมๆกับความเป็นาธาตนั่นแหละเกิดมาอีกก็เป็นทาตอีกไม่มีวันปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้เลยผู้ดได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะลงมือเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้จริงๆวันหนึ่งจะเป็นอิสระขึ้นมา คนทั้งหลายหลงรักในกายหลงรักในใจนี่สำคัญมั่นหมายอย่างเหนียวแน่นว่าคือตัวเรากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราตัวเรามีจริงๆพอเราไปยึดสิ่งใดนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นยึดกายก็ทุกข์เพราะกายยึดจิตใจก็ทุกข์เพราะจิตใจเราผูกพันกับสิ่งใดเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนี่ถ้าเราภาวนาจนปัญญาแก่รอบจริงๆเราเห็นกายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็ทุกข์ไม่เห็นเลยสุขตรงไหนไม่ใช่ของดีของวิเศษตรงไหน มันหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะมันก็ไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจอีกแล้วถ้ากายกับใจยังไม่ยึดมันจะไปยึดอะไรทุกวันนี้ที่เรายึดสิ่งต่างๆมากมายนะเพราะมันเนื่องออกไปจากกายกับใจนิ่งอันแรกเลยเราไปเห็นกายกับใจนี้เป็นตัวเราคนพอมีตัวเราแล้วก็เริ่มยึดสิ่งอื่นๆมาเป็นของเรานี่ครอบครัวเรานะนี่ลูกเราเมียเราสามีเรานี่บ้านเรารถรถเรานี่ชื่อเสียงเกียรติยศของเรานี่มีสารพัดเลย แล้สิ่งทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไปยึดไว้เราอยากให้มันคงที่แต่มันไม่เคยคงที่อย่างความรักของสามีพัญญนยาใช่ไหมอยากให้คงที่มันไม่คงที่หรอกใครจะมาบอกว่ารักชั่วฟ้าดินสลายโกหกทุกคนเลยแนละ้วมันตายก่อนฟ้าจะสลายนะเราไปอยากให้ของไม่คงที่มันคงที่แล้วเราชอบมันเรปลูกพันธุ์เหมือนนะ เราอยากให้ลูกของเราก็เป็นลูกของเราตลอดไปไม่ใช่ไปเป็นผัวคนอื่นไปเป็นเมียคนอื่นเสร็จ <c oughs> แล้วมันไม่ได้มไม่ได้อย่างใจในโลกนะสุดท้ายพอความจริงมันปรากฏออกมาเนะมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวอยู่อยู่ไปจนแก่นึกว่าจะมีอะไรมากใช่ไหมสะสมเงินทองไว้สะสมอะไรไว้มีครอบครัวมีลูกตั้งเยอะแยะเลยสุดท้ายอยู่อย่างตาแก่ยายแก่ที่เงียบเหงา มีเงินเอาไปทําอะไรได้เอาไปจ่ายให้หมอหมดเลยค่ารักษาพยาบาลเราไปกินหมดแล้วไม่ใช่เอาไปเสพสุกนะเอาไปบําบัดทุกข์นั่นสิ่งที่มีที่ว่ามีที่ว่ามีทำ ม, มันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงเลยดังคนที่หลงโลกนะก็จะหลงไปเรื่อยๆคนที่มีธรรมะนะก็จะรู้ว่าอะไรเป็นแค่เครื่องอาศัยทรัพย์สินเงินทองร่างกายจิตใจครอบครัว ตำแหน่งหน้าที่การงานในพวกนี้เครื่องอาศัยให้อยู่กับโลกเราคอยฝึกของเราจะเราปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเราจะไม่ทุกข์เพราะอะไรอีกต่อไปธรรมะของความไม่ยึดถืออะไรนะธรรมะของความพ้นทุกข์สิ้นเชิงยังมีอยู่นะมรรคผลนิพพานยังมีอยู่วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานเพื่อให้เราเข้าถึงพันนิพพานก็ยังมีอยูนะ่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เคยหายไปไหนนะ คนที่มีตาก็จะมองเห็นคนไม่มีตาก็มองไม่เห็นก็เท่านั้นเองคนที่จะรู้ได้เห็นได้สนใจที่จะเรียนรู้มีจานวนไม่มากสังเกตดูคนที่มาเรียนที่นี่ใช่ไหกับคนแค่ในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านยังเยอะกว่าเลยอย่าว่าแต่คนทั้งประเทศทั้งโลกเลยคนที่จะศึกษาธรรมะจริงๆนะมีน้อย แล้ศึกษาแล้วจะเอาจริงยิ่งน้อยใหญ่นะเอาจริงแล้วอินทรีย์แก่กล้าเกิดมากเกิดผลเลนับตัวได้เลยใช้คําว่านับตัวได้แต่ว่าอย่าท้อถอยนะยากลําบากแค่ไหนเราก็ต้องพากเพี้ยนไปดีกว่าเราต้องตกเป็นทาสตลอดชีวิตตลอดกาลนั้นทุกภพทุกชาติเป็นทาสเรื่อยๆไปถึงยังไงลําบากทัศชีวิตนี้นะมีหนทางปฏิบัติแล้วอดทนต่อความลําบากต่อความขี้เกียจนั่นแหละไม่ลําบากอะไรมากหรอก การภาว น, นาจะเป็นลําบากอะไรปัญหาใหญ่คือมีขี้เกียจสันดันประกันรุ่งเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเอาไว้ก่อนนั้นภาคเพี่ยนใจใจจะค่อยลงค่อยเบานะมาฝึกกับหลวงพ่อนะสักเดือนสองเดือนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วความทุกข์มันเริ่มน้อยลงน้อยลงถึงยังไม่ได้มักได้ผลนะแต่ความทุกข์ก็ตกหายไปเยอะแล้วหลายสิบเอร์ซเรื่องอะไรจะไม่เอา เราดิ้นหาความสุขนะเราเสียเงินเสียทองไปเพื่อหาความสุขนี้เยอะแยะเลยเช่นเราต้องเสียเงินไปทัศนาจรประเทศโน้นประเทศนี้นี่เสียตังค์เยอะใช่ไหมเวลาเจ็บป่วยก็เสียเงินให้หมอเยอะแยะนี่ใช้เงินซื้อความสุขตลอดเลยก็ทําไมความสุขอยู่กับการเจริญสตินี่ไม่เสียสตังค์ด้วยซ้ําไปทําไมไม่เอาอความสุขที่ดีที่วิเศษขนาดนี้ทําไมไม่เอาไปเอาของโกหกความสุขในโลกของโกหกนะมีจริงเลยแต่ว่ามันหลอกหลอก มันอยู่ช่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็หายไปหมดเลยพวกเราลองนึกถึงชีวิตของเราที่ผ่านมาแต่ละคนแต่ละคนลองนึกดูวันเวลาที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตอยู่ตรงไหนไม่มันผ่านไปหมดแล้วมาวันนี้มันก็ยังเงี้ยๆไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยงั้นทำไมเราไม่พัฒนาจิตใจตัวเองให้เรามีความสุขอยู่ด้วยตัวเราเองได้มีความสุขอยู่ตลอดวันตลอดคืน วันนี้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นไรหัดเจริญสติก็มีความสุขแบบกัลายาณนะ์นภูตุชนภูตุชนที่ดีมันไม่ใช่ภูตุชนเร็วๆเป็นภูตุชนที่ได้ฟังธรรมะภูตุชนที่ได้ลงมือปฏิบัติเป็นภูตุชนที่ดีแคนดิเดตจะเป็นพระอริยะในวันข้างหน้านะถ้าไม่ลงมือแนละ้วไม่มีวันเป็นหรอกอย่ามาคาดหวังบางคนนี่ขี้เกียจสุดๆเลยแล้วก็โง่ด้วย พยายามมาฟังหลวงพ่อนะพยายามมาฟังหลวงพ่อแต่ไม่ลงมือปฏิบัติกล่าว่าฟังไปแล้ววันหนึ่งจะปิ้งได้วัดทองนะฟังแล้วปิ้งบรรุเลยโอ้แม่งงจริงเนี่ยอ่านหนังสือเซนหรือฟังนิทานเซนมากไปนิทานเซนเห็นไหมพระบางองค์ได้ยินอีการ้องก็บรรลุแล้วอย่างอีกขิวสังนะ่งได้ยินอีการ้องแล้วบรรลุบางองค์ คลานผ่านประตูนะอาจารย์เอาประตูหนีบขาหักบรรุเนี่ยบงองเห็นตัดน้ําอยู่นะกระบวยหักไปนี่ยายชีตัดน้ําชื่อยายชีกระบวยหักตัดน้ําไอ้กระ b u o หักบรรลุพระละหันอย่าเงี้ยทําไมไม่นึกว่าก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะถึงจุดเนี้ยเขาทําอะไรมาเราไม่สนใจเลยอย่างพวกเซนนัะชื่อเซนคือชานนั่นเอง ไม่ใช่ไม่ปฏิบัตินะปฏิบัติหนักนะปฏิบัติอย่างหนักเลยที่สําคัญคือเขาเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างเขาทําสดไล่ผักทําอะไรนะเขาต้องมีสติไปด้วยเราะนั้นเขาทําสติในชีวิตประจำวันถึงเวลาเขาก็ภาวนานแล้วแต่เวลาเขียนประวัติใช่ไหมก็จะไปเขียนว่าไปถึงตรงนี้แล้วบรรลุอะไรยเงี้ยเหมือนหลวงปูด่ดูลย์ใครรู้บ้างหลวงปู่ดูลยาตโตลิตรงไหนหลวงปู่ดูลย์นะวันหนึ่ง ฉันข้าวเสร็จแล้วล้างบาตรล้างบาตขณะที่ล้างบาตอยู่เนี่ยมีแมววิ่งมางปึ๊บปึ๊หมาอีกหลายตัวตามหลังแมวมแมวกระโดดขึ้นต้นมะละกอปึ๊บปบขึ้นไปอยู่บนยอดไม้หมาก็มาเห่าอยู่ล้อมรอบต้นไม้แมวหันหน้ามาแล้วแมวก็นึกยเยาะเย้ยหมาะแก้ทําอะไรฉันไม่ได้หรอก บกหลวงปู่ดนูนะใจก็ปิ้งขึ้นมาเลยใจยิ้มเย่ะกิเลสขึ้นตอนนั้นว่าแกทำอะไรชันไม่ได้อะถ้าเราได้วินปัติน์นี้เราต้องไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกมะละกอเนี่แล้วมันจะบรรลุปะมันโง่ไหมมันโง่โง่สุดๆเลยเราเลี้ยงหมาไว้น้อยๆให้เลี้ยงหมาหลายตัวเลี้ยงแมวน้อยๆถึงเวลาก็ปล่อยให้หมาไล่แมวนะวก็ให้ปลูก ตอนมาทางต้นบรกกรกอเราก็ไปหาถ้วยหาชามมานั่งล áng, ้างเผื่อเราจะได้อะไรกับเขาบ้างโ ง, ง่งะนะหน้าที่เราอย่าไปหวังอะไรล ม, ลมลๆแรงๆนะไม่มีอะไรได้ฟรีหรอกของฟรีไม่มีครับของฟลุ๊กไม่มีนะในทางาศาสนาฟลุ๊ไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุ๊กมีแต่ของที่ต้องลงทุนลงแรงทำเอาด้วยตัวเองทั้งสิ้นเลยคือกฎแห่งกรรมนะั้นมันยุติธรรมที่สุดใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ ดังนเรามีหน้าที่ลงมือปฏิบัติจเจริญสติให้ถูกต้องถ้าจเจริญถูกต้องนะก็ได้ผลเร็วถ้าจเจริญไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ผลหรือได้รับความลําบากบางคนภาวนาผิดนะกำหนดไปเรื่อย่างเครียดเป็นบ้าเป็นอะไรไปเยอะแ ย, ย, ยะไปะฉะนั้นเพราะว่าภาวนาผิดหลักไม่เรียนให้ดีซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวสอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกน พิสูจทั้งหลายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินนั่งนอนรู้ชัดว่าเดินนั่งนอนอยู่พิสูจทั้งหลายมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้สอนง่ายๆสอนให้รู้พิสูจทั้งหลายจิตมีความโกรธก็รู้จิตไม่มีความโกรธก็รู้จิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้สอนให้รู้นะแถมท่านยืนยันสิ่งนี้สติปัฏฐานคือการรู้กายรู้ใจอย่างเนี้ยเป็นทางเอกทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีทางที่สองนะพวกเราเรียนไม่ดีเราก็มั่วซั่วเอาแทนที่เดินอยู่จะรู้สึกเห็นรูปมันเดินจิตเป็นคนดูแทนที่จะรู้สึกนี้นะั้นก็ไปเดินให้มันผิดมนุษย์มานาเดินมีกระบวนท่าอะไรแปลกๆขึ้นมาเดินต้องมีเท่านั้นจังหวะเท่านี้จังหวะมไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะหรือพระเจ้าสอนให้หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกนีใก่ให้รู้สึกตัวของเราก็ไปกําหนดลมหายใจแนละ้วให้จิตแนบอยู่กับลมให้มันนิ่งๆอยู่กับลม ก็ใช้อะไรไม่ได้บางทีก็กําหนดลมกระทบฐานนี้กระทบฐานนี้กระทบฐานนี้นะเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยคําสอนที่เป็นสมถะกรรมฐานเนี่ยมันแทรกเข้ามาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินดังเราต้องเรามัดระวังให้ดีนะใครๆก็อ้างคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงนะมันไม่ใช่ประโยคที่พูดบางทีเหมือนหลวงพ่อเปียบเลยนะพูดประโยคเดียวกันเลยแต่เวลาลงมือปฏิบัตินะกําหนดทั้งนั้นเลยเพ่งทั้งนั้นเลย ไอ้ที่จะรู้เนื้อรู้ตัวแท้ๆนี่แทบไม่มีเลยหายากที่สุดไปเั้นต้องระมัดระวังนะต้องเรียนให้ดีก่อนไม่งั้นจะหลงอะไรง่ายๆพลาดง่ายๆเมื่อวานใครมาม้างเหได้ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้นะคิดว่าเป็นพระอริยามาหลายปีแล้วไปเรียนที่แห่งหนึ่งที่แห่งนี้นะใครๆก็เป็นพระอริยทั้งหมดเลย ยายชงยญยชีอะไ ร, ระอานาคาโนะ้ตผ้าอรหันต์โน้นเยอะแยะหมดเลยนี่พระลูกชายห่วงแม่มากเลยแม่ติดเพ่งไว้เฉยๆแม่บอกเรื่อยๆนะไม่มีตัวตนไม่มีสักยัตทิฐิเลยไม่เคยมีตัวตนขึ้นมาเลยตั้งนานนะเป็นปีๆหลายปีแล้วก็ใจนี้สงบไม่มีกิเลสรู้สึกนี้ลูกชายก็บอกให้หลวงพ่อจัดการเถอะ ก่อนนูนสักไม่นานเท่าไหร่นะมาหลวงพ่อเจอแล้สอนพระเสร็หลวงพ่อเดินดุยๆเข้าไปหาเลยนี่โยมยังไม่เข้าใจธรรมะเลยยังเพ่งอยู่เลยพอไปเพ่งอยู่ใช่ไหมจิตไม่ขยับเขย่ขยขึ้นไปเพ่งนิ่งๆมันไม่ปรุงอะไรมันปรุงแต่ความนิ่งก็ไม่เห็นว่ามีตัวมีตนไม่เห็นว่ามีกิเลสมันไปเพ่งเอาไว้เฉยๆปล่อยสิลองปล่อยสิเดี๋ยวจะรู้นะแกใจถึงจริงๆนั้นหลวงพ่อยองย่องกันเลย แค่กลับไปดูนะเมื่อวานมานี่ส่ยปิ๊งมาเลยตื่นมาเต็มที่แล้วบอกเลยว่าที่ทํามาเนี่ยผิดแน่ๆเลยรู้ละไม่เพ่งไม่เฉยๆเลยไม่มีอะไรเกิดดับให้ดูเลย mm hmm. นั้นใจถึงๆนะอย่าไปเสียดายอย่าไปอะไรเอาบอ์ถ้าใครเข้าตั้งเราเป็นพระอริยะเนี่ยอย่าเสียดายเลยนะ mm hmm. ทุกวันนี้เยอะเหลือเกินนะโหลวงพ่อต้องฆาตกรรมพระอริยะเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยอริยะอะไระอริยะประเภท กดเอาไว้เพ่งเอาไว้กำหนดเอาไว้ใจทื่ทอๆอริยะแบบซอมบี้ผมพ่อก็ทำเป็นมาง่ายจะตายอีกพวกหนึ่งอริยะเคลือบเคลิม้มต้องยิ้มหน่อยๆ น, นะถ้าอาริยะเคลือบเคลิม <c oughs> ้มเล้วไหลนะเลี้ยวไหลนะ ไ, ไม่ได้มีสติเลย ไม่ได้มีสติเลยนะเพันต้องฝึกให้สติแท้ๆเกิดขึ้นมาวิธีที่จะให้สติเกิดก็ไม่ใช่บังคับให้เกิดไม่ใช่กําหนดให้เกิดนะพระอภิธรรมสอนไม่ชัดเลยเหตุใกล้ของสติคือทีราสัญญาคือการที่จิต จ, จําสภาวะได้แม่นเพราะงั้นที่มาเรียนที่หลวงพ่อทำไมพวกเราพัฒนารวดเร็วหลวงพ่อพาดูสภาวะสอนให้หัดรู้จักสภาวะสอนเข้าประเด็นเลยนะตรงกับอภิธรรมเป๊ะเลย หัดดูสภาวะไปความโลภเกิดขึ้นก็รู้สึกความโกรธความหลงเกิดขึ้นรู้สึกนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นรู้สึกอะไรๆเกิดขึ้นรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกค่อยรู้สึกไปไม่ได้เพ่ง ไ, ไม่ได้กําหนดนะค่อยรู้สึกถ้าจิตจําสภาวะได้แม่นนะเราไปสติจะเกิดเองเช่นเราค่อยดูใจของเราเรื่อยๆใจเราแอบไปคิดเรารู้ใจเราแอบไปคิดเรารู้เราซ้อมทุกวันนะวิธีซ้อมก็เช่น ไหว้พระไปสวนมนต์ไปแล้หั่งซัมมาสัมพุทธโธพระกรวานี่ใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วก็พูดทางพระวันตงังยังไม่ทันอภิวาเลยหนีไปคิดอีกแล้วรู้อีกว่าหนีไปคิดเนี่ยฝึกอย่างนะี้จิตมันจําได้ว่าหลงไปคิดเป็นไงเลยคนไหนเคยดูท้องพองยบนะดูเล่นๆอย่าให้ใจไหลไปอยู่ที่ท้องดูเล่นๆไปเห็นใจไหลไปที่ท้องก็รู้ทันนะใจแอบไปคิดก็รู้ทันนี่คือการซ้อมรู้สภาวะ วันไหนเคยฝึกลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจไปนี่ก็รู้สภาวะนะเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจแะหายใจไปหายใจไปจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจนี่ก็เป็นการรู้สภาวะของจิตหายใจแล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดนี่ก็เป็นการรู้สภาวะของจิตหาดู้สภาวะของกายของใจเรื่อยๆไปแล้วสติจะเกิดหลวงพ่อมีคราวหนึ่งนะเห็น หาหลวงพ่อเทียนเห็นนั่งนั่งขยับมือลองมาทําเล่นบ้างขยับมือวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนมันเดินอยู่อีกฝั่งถนน น, นะดีใจไม่เจอนานละก้าวขาจะไปคุยกับมันดีใจแล้วไม่เห็นว่าดีใจเพราะเท้าเคลื่อนไหวนี่นะเราเคยขยับมือแล้วรู้สึกเนี่ยคราวนี้มือยังไม่ทันขยับในขาขยับนี่นะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยหลุดออกจากโลกของความหลงรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะงั้นดูกายก็รู้สึกตัวเป็นนะ ดูจิตใจไปก็รู้สึกตัวได้เช่นรู้ว่าใจเผลอไปพารู้บ่อยๆนะพอใจเผลอเมื่อไหร่สติเกิดเองงั้นหัดดูสภาวะของกายก็ได้สภาวะของจิตก็ได้สติที่เกิดขึ้นจะเหมือนกันเปรียบเลยเป็นอันเดียวกันนี่พอสติเกิดแล้วนะมันจะรู้กายว่างรู้เวทนาบ้างรู้จิตบ้างเลือกไม่ได้หรอกว่ามันจะรู้อะไรนะมันรู้ของมันเองอะ่ะงั้นไม่มีแล้วนะสายกายสายจิตสายโน้นสาย น, น, ายนี้ไม่มีอีกต่อไปละมีแต่ว่าขนาดนี้มีสติหรือข น, นขนาดนี้ขาดสติเท่านั้นเอง ที่ว่าเริ่มต้นด้วยกายเริ่มต้นด้วยเวทนาเริ่มต้นด้จิต น, นั้นแค่จุดเริ่มต้นเพื่อฝึกให้มีสติเท่านั้นทําไมต้องเริ่มต้นด้วยอันใดอันหนึ่งเพื่อจะได้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกจะได้จําสภาวะได้แม่นถ้าเริ่มต้นอย่างจับจดเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวรู้ลมเดี๋ยวรู้ท้องเดี๋ยวรู้เท้านะเดี๋ยวไปรู้ใจที่มีสุขใจมีทุกข์ใจหนักใจเบาเดี๋ยวรู้โลกรดโหรือฟุ้งซ่านไปเดี๋ยวรู้โน่นรู้นี่มั่วซั่วไปสติเกิดยากเพราะจิตจําสภาวะไม่่แมน ดังนเบื้องต้นนะหาอะไรมาทำสักอันหนึ่งทําเล่นๆนะอย่าทําด้วยความคาดหวังว่าจิตจะสงบรู้ลมหายใจก็รู้เล่นๆดูท้องพองยุบก็ดูเล่นๆจะเดินจงกรมก็เดินเล่นๆทําอะไรทําเล่นๆไว้ทํำเล่นๆไปแล้วแลก็ค่อยๆดูไปนะร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายมันหยุดนิ่งก็รู้สึกนะแต่ไม่เพ่งนะต้องระวังอย่าไปเพ่งกายอย่าเพ่งจิต หรสวดมนต์ก็ได้อย่างที่ว่านะเรหัง่งซ้ำมานะใจลอยแว บ, บรู้สึกซัมพุโทโธพักวาเอรอยอีกแว บ, บรู้สึกหัดไปนะเ mm. บื้องต้ น, นเอาอันใดอันหนึ่งซะก่อนหรือเดินจงกรมนะเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูสบายๆเดินไปอย่างเงี้ยดูไปสบายๆเห็นรูปมันเคลื่อน ไ, ไหวไปใจเราอยู่ต่างหากต่อไปมันก็จะรู้ทางกายรู้ทั้งจิตเงั้นเบื้องต้นนะรู้อันใดอันหนึ่งเช่นเห็นร่างกายมันเดินไป ถ้าดูได้ถูกต้องไม่ไปเพ่งกายนะต่อไปก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเห็นท้องมันพองท้องมันยุบนะถ้าไม่ไปเพ่งท้องนะต่อไปก็จะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตหัดดูจิตที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปเรื่อยนะต่อไปก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตมันรู้ทั้งหมดนะไม่ได้ร้วนเดียวหรอกเนื่เวลาที่สติที่แท้จริงเกิดนะเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้จิตแต่ทุกสิ่งแสดงธรรมะเรื่องเดียวกัน คล้ายๆมีครูหลายคนนะครูเวียนกันเข้ามาสอนเราตลอดเวลาเลยเดี๋ยวครูยิ้มหวานมาเดี๋ยวครูหน้ายักมาเดี๋ยวครูใจดีเดี๋ยวครูใจร้ายหมุนเวียนเข้ามาสอนเราทั้งวันเลยสอนเรื่องเดียวกันคือสอนไตรักทั้งหมดเลยสอนถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมโลคโกรธหลงก็สอนใจรักมีโรคแล้วมันก็ไม่มีมีโกรธแล้วก็ไม่มีมีหลงแล้วมันก็ไม่มีคกุศนทั้งหลายก็สอนไตรักใช่ไหมจิตมีสติขึ้นมาแล้วก็ขาดสติอะไรอย่างนี้ มีปัญญาขึ้นมาบางทีก็ไม่มีปัญญาเอาแนอนอนไม่ได้บางทีก็มีฉันทะบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็มีศรัทธาบางทีก็เสริมศรัทธาเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ใครรู้มันไปได้รู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างสอนใจรักทั้งสิ้นเลยสอนให้เห็นเลยมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มี การที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะสอนใจรักไปได้วยมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีถึงจนดหนึ่งจะได้พระโสดาบันเพราะพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงผู้ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ้นเลยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาดนั้นเราฝึกให้มีสตินะแล้วทุกอย่างมันจะไหลเข้ามาเราก็รู้ไปได้่อยอย่าไปเพ่งมันมันจะแสดงใจรักงั้นเบื้องต้นหัดทำกรรมฐานไว้อันหนึ่งอย่าขี้เกียจนะ คนไหนทําอะไรไม่ได้นะก็ท่องพุโทโธในใจหรือสวดมนต์ไปก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันใจที่วิ่งไปวิ่งมาหลงไปโน่นหลงไปนี่คนไหนเดินจงกรมได้ก็ไปเดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปเรื่อยต่ไปใจขยับเขยื้อนอะไรมันก็เห็นเองร่างกายขยับเขยื้อนก็รู้สึกขึ้นมาเองแล้วนะฝึกนะเอาวันใดอันหนึ่งสัก่อนเบื้องต้นฝึกเล่นๆอย่าลืมคําว่าเล่นๆนะอย่าลืมคะว่าเล่นๆทําเล่นๆทําสบายๆ ถ้าทำจริงจังจะกลายเป็นการเพ่งทั้งหมดเลยไปเดินจงกรมแล้วก็ต่อไปนี้ถึงเวลาเดินจงกรมแนละ้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเดินก็แปลกๆเคยมีหลวงพ่อเคยเห็นคนหนึ่งเดินจงกรมเ น, นี่ยยกเข่าเนี่ยขึ้นมาถึงเอวมีนะว่ามันเดินเหมือนเต้นโขนเลย ต, ตึ บ, ต, บตับตึบตับนี่แหละเดินดีนี่ไม่ขาดสติเลยขาดสติแท้ๆเลยบอกไม่ขาดสติ อะไรทําให้ไปเต้นอยู่อย่างนั้นก็โลภะอสิทําให้เต้นอยู่ไม่เห็นกิเลสไม่มีสติหรอกงั้นหาอะไรมาทำซะกันนะทําเล่นๆทําเล่นๆเดินเล่นๆนะแต่เอาจริงนะไม่ใช่เดินเล่นๆนะเดินสามเก้า น, นอนซะสามวันอย่างนั้นทุเล็นะทําสม่ําเสมอทําไปสบายๆอย่า ก, กังวลว่าจะได้อะไรเมื่ อ, อไหร่ขณะนี้มีหน้าที่ปฏิบัติไปนะ เดินไปเห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วใจลอยแล้วก็รู้เด <ise sociedad, S 2> ินไปแล้วใจไปเพ่งเท้าก็รู้นี่หัดรู้สภาวะอย่างเนี้นะรู้กายบ้างรู้ใจบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าให้เยอะนะเอานิดนหน่อยหน่อยสงสอย่างก็พอละอย่าให้เกินนั้นเช่นเดินจงกรมอยู่ก็เห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วบางทีจิตก็ไปเพ่งกายก็รู้ทันจิตหลงไปคิดก็รู้ทันรู้จิตเผลอจิตเพ่งนะ รู้กายไปแล้วก็เห็นจิตมันเผลอบ้างเพ่งบ้างรู้สึกไปงี้ต่อไปก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนั่งหายใจไปนะก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเดี๋ยวจิตก็เผลอไปเดี๋ยวจิตก็ไปเพ่งลมหายใจนั้นเรียนนั่นเรียนไม่ต้องเยอะเรียนสองสาอย่างแค่นี้ก็พอละแรกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งอันที่สองเห็นจิตไปเพ่งกายบ้างเห็นจิตหลงไปที่อื่นบ้างฝึกอยู่แค่เนี้ยต่อไปจะรู้หมดเลยตรงนี้เราตัวสําคัญฝึกได้อย่างนี้นะต่อไปก็เยอะ มีความสุขที่สุดเลยกล้ายืนยันนะว่ามีความสุขที่สุดเลยแก่อนไปหาครูบาอาจารย์ดูท่านนะมีความสุขทำไมเรามันสุขสุขดิบดบสุขกอไก่ซะเยอะนะสุขขอไข่ไม่ค่อยมีดูท่านมีความสุขบางองค์ความสุขท่านเยอะนะท่านไม่สบายหลวงปู่สุวัตเน่ยเป็นอัมพาตนะเป็นอัมพาตบางทีก็หายใจไม่ออกนะต้องมีเครื่องดูดเสมหะเครื่องอะไรทรมานเยอะเลย จะเจอหน้าท่านนะท่าะบอกสุขแท้นอสุขแท้นอเราโอ้หลวงปู่หลวงปู่สภาพหลวงปู่อย่างนี้หลวงปู่สุขแท้นอเนอะ <g ül> เรานี่เกียงกับปรี่กับเป๋าแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นนะไม่เห็นสุขอย่างท่านเลยนะนี่ภาวนานะโอ้มีความสุขจริงๆเลยทําไมเราจะทิ้งโอกาสที่จะมีความสุขไปล่ะโง่ไหมที่จะทิ้งโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตนี้ ไม่ต้องรอพระศรีอารไม่ต้องรอชาติหน้านะลงมือปฏิบัติวันนี้ก็มีความสุขวันนี้เลยถึงยังไม่มีความสุขเท่าพระอราหันต์นะแต่มก็มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตโปร่งเบามากขึ้นเรื่อยๆลดข้อพลุงพลังลงไปเรื่อยๆแล้วทําไมจะไม่เอานะถ้าไม่เอาโงา่แล้วไม่รู้จะพูดยังไงละก็ได้แต่ชวนนะเราพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าท่านได้แต่เป็นผู้บอกทางเป็นผู้ชักชวนต้องเดินเอาเองขนาดพระพุทธเจ้าบอกงั้นหลวงพ่อก็ทําได้ไม่มากกว่านั้นหรอก นะถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ช่วยไม่ได้หรอกนะแล้วแต่เวรแต่กรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะอ้าวเชิญไปทำกรรมของตัวเองไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับนิมนต์